บุกทูสามสสองที่ร้านอาหา ร, รสราี่ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ยดนพุตปอง สเก็ตช์ฟอร์มและมายองเนสสองที่อีดว่าุดส์มาย a งเนสฟอร์มและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่อีทริพุด์ปรเจนูโคบัสซิซูซาเ o นฟอร์มคุณมีผักอะไรบ้างคะคักวว์ชออิ t ั คุณมีถั่วไหมคะอิมาเทลีกราฮาคุณมีดอกกะหล่ำไหมคะอิมาเทลีคารฟิโอลทดิฉันชอบทานข้าวโพดหวานยาราโเดเยดมคุค u รุสดิฉันชอบทานแตงกวา ฉันชอบทานมะเขือเทศคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะคุณชอบทานกะหล่ำปรีดองด้วยใช่ไหมคะ li kiseli vi i rado dueće kupus? linsen čoptan คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะคุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะคุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะ เยดิชลีอิติร่าโดบร o ก u ลูคุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะเยดิชลีอ ti ra ่าโด p าปริกดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่ยาเนโวลิมลูกดิฉันไม่ชอบมะกอกยาเนโวลิ m มะสลีเน ที่ฉันไม่ชอบเหตุย a n e v o l i ม g l i b